บรร ญ, ญายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์วุฒสกราต2546ขอเจริญพร อ, อนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทําบุญในวันมาคบบูชาโดยเฉพาะถึงเวลานี้ ก็จะเป็นการเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนการมาทำบุญอย่างนี้ก็เป็นวัตถปฏิบัติอย่างหนึ่งของชาวพุทธผู้มีศรัทธามั่นคงเรามาทำบุญร่วมกันนี้มีความหมายหลายอย่างเป็นการบำเพ็ญคุณความดีทั้งเป็นกุศลแก่ตนเอง และพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำความดีให้แก่สังคมและแก่พระพุทธศาสนาในแง่ที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมาโยมญาติมิตรสาธุชนมาทำบุญในวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทำบุญเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ว่า เป็นการที่เราได้มาแสดงความสามัคคีในพุทธบริษัททั้งหมดคือการที่ทั้งฝ่ายพระสงฆ์และญาติโยมก็จะได้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันแล้วก็เป็นการแสดงน้ำใจต่อพระพุทธศาสนาว่าเวลามีกิจการงานกิจกรรมใดก็ตามที่เป็นเรื่องของพระศาสนาเราก็ไม่ละทิ้งเราก็มาร่วมด้วย แสดงน้ำใจส่งเสริมรูปธรรศาสนาและเป็นการแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระรัตนตรัยโดยเฉพาะก็เป็นวันที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการกระทาอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้มีส่วนในการสืบต่ออายุพุทธศาสนาด้วยเพราะว่ากิจการงานพระสศาสนาจะดาเนินไปได้ก็ด้วยการมีเหล่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาร่วมงานร่วมกายกิจกรรม มาช่วยกันบางท่านก็อาจจะมาตั้งแต่หลายวันก่อนโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มาช่วยเตรียมการมาทำความสะอาดมาจัดแต่งนิทรรศการอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการแสดงออกแม้จะมาเพียงพิธีนี้ก็ชื่อว่าได้แสดงน้ำใจแล้วต่อพระพุทธศาสนาก็เป็นส่วนร่วมในการสืบต่ อ, อยุบศาสนาพร้อมกันนั้นก็เป็นการทำหน้าที่ต่อสังคมไปด้วย ให้เห็นว่าเราเนี่ยยังดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศหรือสังคมไทยนี้ไว้สังคมจะดีอยู่ได้ก็เพราะมีคนที่มาทำกิจกรรมดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรามีคนมาร่วมกันทำความดีมากๆมาร่วมกิจกรรมในทางพระศาสนามากๆก็จะมีความอุ่นใจขึ้นว่าสังคมนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีงาม ยังมีการปฏิบัติในทางศีลธรรมและการรักษาวัฒนธรรมอยู่สังคมก็เจริญมั่นคงและมีความงดงามเพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีความหมายหลายอย่างทีนี้แม้แต่ในแง่ส่วนตัวของแต่ละท่านที่ว่ามาทำบุญทำกุศลเนี่ยก็ไม่ใช่มาตัวคนเดียวหลายท่านเนี่ยมากับครอบครัว คุณพ่อคุณแม่มากันลูกคุณปู่คุณย่าตายายอาจจะมากันหลานที่มาด้วยกันก็เป็นน้ำใจที่มีเมตตากรุณามีความรักกันในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเมตตาต่อลูกก็อยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่ในความดีงามไม่ทะเลทรายและได้เห็นลูกมาทำบุญํำกุศลมาวัดคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกปราบปลื้มชื่นใจทางภาษาพระเรียกว่า ได้ปีติปราโมทนะก็เป็นความเจริญงอกงามของจิตใจผู้ย่าตายายก็เช่นเดียวกันเห็นลูกหลานมาวัดทำความดีงามก็สบายใจและลูกหลานก็เหมือนกันว่าถึงวันนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางท่านก็ไม่ค่อยมีแรงไปไหนได้ตัวเองไม่ได้ถึงวันนี้เรามาช่วยท่านขับรถให้ท่านหรือพาท่านมาก็เป็นความอบอุ่นในครอบครัว แล้วก็ได้เกิดความซาบซึ้งใจเห็นคุณพ่อคุณแม่ได้ทําบุญทำกุศลมีความปรีติยินดีจิตใจแช่มชื่นสบายลูกหลานก็พลอยมีความสุขไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแหละทั้งหมดเนี่ยเราใช้คำเดีวว่าไปทําบุญเนี่ยได้ความหมายครบท้วนหมดเลยมีทั้งหนึ่งศรัทธานี่เป็นคุณธรรมสําคัญที่ผูกพันเราไว้กับพระศาสนาและพระรัตนตรยัย เรามีศรัทธาแล้วก็มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจของเราก็สดใสมีกําลังมีทางที่มุง่งวิ่งแล่นไปไม่หงอยเหงาไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ว้าเว่คนที่มีศรัทธานี่มือ ม, ม, มีเพื่อนใจอยู่แล้วแล้วมัก็มีเมตตากรุณาอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยนอกจากเมตตากรุณาในครอบครัวก็คือเมตตาไมตรีธรรมต่อกันในหมู่พุทธบริษัทญาติบิทั้งหลายที่พบเห็นเนี่ย คนที่มานี่หน้าตาก็แช่มชื่นผ่องใสก็นึกถึงเรื่องบุญและปรารถนาดีต่อกันทางพระสงฆ์ก็มีเมตตากรุณาหวังดีต่อญาติโยมญาติโยมก็มีความปรารถนาดีต่อพระสงฆ์แล้วก็มาที่ว่าผลก็คือเกิดปีติปราโมทย์และปีติสุขก็อยากจะย้ําหน่อยว่าคุณสมบัติทางจิตใจเครื่องปรารถปีติปราโมทย์อันนี้เราไม่ค่อยได้พูดกัน ในทางธรรมะนะั้นถือว่าสำคัญมากอย่างคุณพ่อคุณแม่มีเมตตากรุณาต่อลูกเนี่ยนั่นคือแผ่ออกไปข้างนอกเราแผ่เมตตากรุณาออกไปและพร้อมกันนั้นข้างในเราก็ได้ปีติปราโมทเจริญ ง, งอกงามขึ้นมามันจะมาได้กันได้ปีติปราโมทปีติก็คือความปรับรื่มใจแล้วก็ปราโมทความเบิกบานใจ ร, ร่าเริงเบิกบานใจเนี่ย เป็นคุณสมบัติสำคัญได้ขอย้ํำอยู่เสมอว่าเป็นชาพุทธแล้วจะเจริญงอกงามในธรรมเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติประจำใจข้อปีติปราโมดเริ่มตั้งแต่ปราโมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ขอยกมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่าปลาโมดชาพูโรภิกขุทุกขัดสันตังกริสติแปลว่าภิกษุผู้มากได้ปลาโมดจะ ก, กระทาทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็คือจะบรรลุนิพพาน นั้นใจคนไหนที่มีปราโมดความร่าเริงเบิกบานใจเป็นพื้นอยู่ได้เนี่ยเป็นคนที่ใกล้พนิผ่านแล้วน่แล้วก็ต่อจากนั้นก็มีปิติความอิ่มใจอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ทำความดีอะไรได้ทำบุญทำทานได้มาร่วมกิจกรรมการกุศลเราได้ทำความดีเราได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมถวายกําลังแก่พระศาสนาเราได้มีส่วนร่วมในการทาให้สังคมนี้ดีงาม นึกขึ้นมาเมื่อไรก็มีปีติอิ่มใจแต่ทั้งหมดนี้จะต้องมีตัวหนึ่งที่คอยนำทางไว้ก็คือปัญญาเพราะเรารู้เข้าใจเหตุผลเรามองกว้างออกไปเห็นว่าที่เราทำนี้กิจกรรมที่เราทําการทําบุญของเรานี่มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้กับตนเองเราได้ทําบุญทํากุศลในทางพระศาสนาเราได้ทาหน้าที่พุทธศาสนิกระชนทําให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคง ต่อสังคมเราได้ช่วยให้สังคมนี้อยู่ในความดีงามอะไรเงี้ยเรามองได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะปัญญายิ่งมีปัญญาเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจรู้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าตัวปัญญาตัวนี้จะทําให้เรายิ่งเกิดปีติและความสุขและปีติปราโมดพร้อมทั้งคุณธรรมอื่นๆศรัทธาเราก็ยิ่งมั่นคงยิงเราเข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงมีเหตุมีผลอย่างนั้นศรัทธาของเราก็ยิ่งเพิ่มพูนเรายิ่งเข้าใจโลกและชีวิต เข้าใจทุกสุขของคนอื่นก็ยิ่งมีความเมตตากรุณาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นปัญญานี้ก็ขาดไม่ได้ก็เป็นตัวที่ช่วยปรับช่วยพัฒนาคุณธรรมอื่นๆให้สูงยิ่งขึ้นไปแต่ในที่นี้นั้นอยากจะเน้นเรื่องปีติปราโมดว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของชาวพุทธที่เราอาจจะมองข้ามไปพุทธเจ้าสัตย์อยู่เสมอว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญการหน้าไปเนี่ยก็จะมีปราโมดปีติปัสสติสุขสมาธิ แล้วก็คนชาวพุทธนี่จะไมปป่็ปโรคเครียดเพราะว่ามีในห้าตัวเนี่ยปราโมทปิติปสัสสธิสุขสมาธิเนี่ยปสัสสธินั้แปลว่าความผ่อนคลายไม่เครียดประถมจิตใจได้ดีวางใจต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องหมดเริ่มงแต่แต่มีปัญญาอย่างที่ว่าวันนี้ก็ญาติโยมมาทำบุญทำกุศลโดยเฉพาะเจาะจงก็เป็นวันมาฆบูชา นี่กุศลบุญที่ได้อย่างเมื่อกี้เนี่ยได้ทุกกิจกรรมมเฉพาะวันมาฆบูชาส่วนในวันมาฆบูชานี่เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความหมายจำเพาะความหมายจำเพาะของวันมาฆบูชานี่สําหรับปีนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องพูดอะไรมากเพราะาพูดมาหลายปีแล้วก็พูดมาเรื่อยๆแง่โนทนแง่น น, งนี้นี่พูดไปพูดมาหลายๆปีเข้านี่พอ แม่นยำชัดเจนแล้วก็เข้าไปอยู่ในความจําของญาติโยมพอเข้าไปอยู่ในความจําแล้วทีนี้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อพอเลยพอยกหัวข้อขึ้นมาโยมก็นึกขยายความหมายในใจตัวเองได้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วก็สบายและอัตมภาพก็ไม่ต้องพูดอะไรมากพอถึงวันวานครับบูชาก็บอกเอาและนะโยมวันนี้เป็นวันจาตุรงคขสันนิบาตพอพูดว่าจาตุรงคสันนิบาตก็โยมก็ขยายความในใจเสร็จเลยการประชุมที่เรียกว่า จารุรงคักสนิบาตนั้นก็พร้อมถึงองค์ีมีดังตอบไปนี้ใจบอกตัวเองไปแตามาไม่ต้องพูดแหละทีนี้พอมีจารุรงค์กนิบาตภาษาพกพันสองรหสิรูปมาประชุมกันพร้อมแล้วก็บอกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมะพอบอกโอวาทปาติโมะก็ไม่ต้องขยายความและอาจจะยกหัวข้อขึ้นมาโยมก็ขยายความในใจเพราะนั้นอาตมภาพวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นว่า ถือว่าโยมยได้ฟังมาหลายปีแล้วคำอธิบายของคาถาโอวาทปาปีมโมกปีนี้ถือว่าไม่ต้องอธิบายก็เลยจะยกมาให้ฟังเฉพาะตัวกระทุคือตัวหัวข้อเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาเรียกว่ากระทุและจากกระทุนี้ก็เอาไปขยายความอีกทีและทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่สามคาถาครึ่ง ธรรมภาพจะว่าไปแล้วยมนึกในใจนะถ้าใครเก่งจริงแล้วก็ขยายความได้เลยแปลได้ก่อนแล้วก็ขยายความได้โดยเฉพาะเด็กๆ เ, เนี่ยเด็กเป็นนักจําเพราะฉะนั้นช่วยด้วยนะช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาฟังพระว่าแล้วก็เด็กๆทั้งหลายให้นึกในใจตามไปด้วยฉันจําได้หรือเปล่าคาถาที่หนึ่งบอกว่า ขันตีประมังตโปตีติขานิพพานังประมังวันติพุท ธ, ธานหิปัะพิตโตปรูปคาตีสัมโนโหติปรังวิเหทยันโตเอาและจบคาถาที่หนึ่งแล้วต้องถามตัวเองว่าแปลได้ไหมขยายความได้ไหมถ้าเก่งจริงตอนนี้ต้องขยายความได้เข้าใจชัดเจนต่อไปก็คาถาที่สอง คาถาที่สองว่าสัพพปาปัสสะากัรนังกุศลสูปัสสมปทาสจิตตปริโยธปนังเอตังพุทธานาสาสนังคาถานี้หลายท่านบอกโอ้สบายง่ายมากคาถานี้ได้ยินบ่อยเป็นคาถาที่พระพูดบ่อยที่สุดนีก็ถือว่าเป็นการประมวลหลักพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจภาคปฏิบัติ ต่อไปก็เลยไปคาถาที่สามพร้อมกับอีกครึ่งคาถาสุดท้ายเรียกว่าคาถากึ่งว่าดังนี้อนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตสิงปันตัญจะสยาาสนังอาทิต จ, จิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานสาสนังจบแหละนี่โอวาทปาติโมกเนี่ยมีเท่าเนี้ย ถือได้ว่าครอบคุมคําสอนในพระพุทธศาสนาได้เหมือนกันเป็นวิธีแสดงอย่างหนึ่งในการที่ว่าจะรวบรวมประมวลคําสอนของพระพุทธเจ้าและงคาถาทั้งสามคาถากึ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเองเมื่อกี้อตมาบอกแล้วนะว่าจะไม่อธิบายละปีนี้ถือว่าโยมฟังมาหลายปีและเข้าใจเองแต่ว่าบอกอีกนิดหนึ่งว่า คาถาที่จำกันแม่นก็คือคาถาสัพพปาปะสะากัรนังเป็นต้นที่แปลว่าไม่ทำชั่วทำความดีให้เต็มพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์สามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้จำกันแม่นและโยมมาวันนี้ก็ได้ทำทั้งสามอย่างนี้อย่างน้อยควรตรวจสอบตัวเองว่าเราได้ไหมถ้าได้แล้วก็ได้คะแนนเต็มร้อยเลยในการมาร่วมพิธี มาคบูชาถ้าว่าโดยรวบรัฐท่านก็บอกว่าสามอย่างเนี้ไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองไม่ทำชั่วเว้นจากการเบียดเบียนกันเป็นต้นนี่เป็นภาคศีลโยมาวันนี้ได้ศีลและสํารวมกิริยาวาจาสงบอยู่ในระเบียบวิ น, นัยมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีส่งเสริมวินัยของสังคมในทาสังคมของเราเนี่ย สงบเรียบร้อยอย่างโยมนี่ก็สบายเนะีอย่างผู้ที่มาทำบุญทำกุศลเนี่ยไม่เบียดเบียนใครไม่ก่อให้ใครเบื่อร้อนก็เรียกว่าเป็นศีลจะพูดจะจาอะไรเจรจาวาจาก็สุภาพอ่อนโยนพูดกันจะเรื่องบุญเรื่องกนนุศลเรื่องทําความดีเท่านั้นเลยนี้ต่อไปจิตใจของญาติโยมที่มาก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้มีศรัทธามีเมตตากรุณามีปลาโมดมีปีติเป็นต้นเป็นจิตใจที่ดี เนี่ยอันนี้จิตใจมุ่งไปแน่วแน่มั่นคงในการกระทำความดีในการทำบุญอันนี้เป็นสมาธิหมดเลยแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญญารู้เข้าใจความหมายของวันมาคบุญชารู้เข้าใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนารู้เข้าใจเหตุผลที่เรามาทำกันในวันนี้ทั้งหมดตลอดจนกระทั่งนาเอาคำสอนที่เรียกว่าโออาทปาติโมกไปศึกษา ไปวิเคราะห์วิจัยให้เข้าใจชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปัญญาเราก็จะก้าวไปในศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าวันนี้โยมได้หมดแล้วเป็นอ่านว่าหกข้อของโอวทาทปาติโมกข์ที่เป็นหลักคําสอนในวันมาคบุชาซึ่งถือว่าเป็นสาระสําคัญของมาคบุชาเนี่ยครบหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ว่าต้องเป็นความจําเวลามาเป็นหกข้ออย่างนี้เราก็กลายเป็นเรื่องความจํา ความจำนี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวนี้บางทีไปพูดกันว่าไม่ต้องเอาละความจำอันนี้ก็ไปสุดโตงทางหนึ่งถ้าจะเอาแต่ความจำก็ไปสุดโตงอีกทางหนึ่งทำยังไงก็ต้องมีทั้งความเข้าใจและความจำเดียปกติเนี่ยก็คือเราจะศึกษาอะไรเราก็ทำความเข้าใจซะให้ดีให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจดีแล้วทีนี้ก็จำได้ จำนี่เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะได้น้ำตาลน้ำหวานจากต้นอ้อยมาก็ดีจากต้นตาลก็ดีเนี่ยมันเยอะแยะมันเป็นน้ำก็เก็บยากเราก็มาผ่านกระบวนการเคี่ยวซะให้มันงวดจนกระทั่งว่าได้เป็นเกร็ดเป็นก้อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเหลือนิดเดียวเก็บง่ายทีนี้จะพกพาไปไงก็ได้พอถึงเวลาจะใช้ก็เอาออกมาปั๊บละลายน้ำขยายกระจายไฟฉายได้เลยคนที่ ปฏิบัติถูกต้องก็ต้องได้อย่างนี้ถือทั้งเข้าใจดีแล้วก็จําได้เอามาใช้ทําประโยชน์สําเร็จต้องได้ทั้งสามขั้นคนที่จะเอาไปใช้ทําสําร็จสำเร็จก็ต้องมีข้อมูลนะข้อมูลนี่ก็เวลาจะทําให้สําเร็จก็เอามาคิดพอคิดแล้วก็คิดออกไปด้วยวิธีการคิดที่ถูกต้องอย่างที่พระแล้วกว่โยนิสมุสิการก็เอามาใช้แก้ปัญหาใช้ประยุกต์การสร้างสรรค์นในงานเฉพาะกิจเฉพาะกรณีได้หมด อันนี้ก็เรียกว่าครบวงจรหรือครบกระบวนการต้องครบทั้งสามขั้นนี้บางคนก็เอาเอาโจทย์บ้างจำบ้างเราก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าอันไหนเราเข้าใจดีแล้วเป็นเรื่องสําคัญแค่ไหนส่วนนี้โจทยไว้ส่วนนั้นจำไอโจทย์ในบางทีมันหาไม่ทันนะเมื่ถึงเวลาจะใช้เพราะฉะนั้นไ้สําคัญจริงๆต้องขัดไว้แล้วก็จำเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างนี้แล้วการรู้จักใช้ ถ้าจำไม่เป็นจำอย่างเดียวไม่เข้าใจก็เป็นนกแก้วนกขุนทองก็ดีไม่ก็ดีเมื่อไหร่ก็ได้แค่นกแก้วนกขุนทองก็ยังดียังดีก็คนไม่ได้ใช่ไหมนะก็พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองไปแต่ว่ามันไม่ได้เกินกว่านั้นมันไม่พอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าจำอย่างเดียวไม่พอต้องพูดอย่างนี้อย่าบอกว่าอย่าไปจำต้องบอกจำอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์สําเร็จด้วยต้องทั้งสามขั้นถ้าได้อย่างนี้แล้วก็คนที่จำดีก็จะมีข้อมูล พร้อมสำเร็จรูปจะใช้งานใช้การนี่มันทันทีทันใจล่วงอามาได้ฉับพลันนะนี่ก็เป็นเรื่องของหัวข้อโอวาทปาติโมกเนาโยมจําได้ก็สบายต่อไปต้องจําจได้ทุกคนอย่างน้อยหวังว่าทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆต้องจําได้และคาถาหนึ่งในสามคาถากึ่งนั้นก็คือสรรพาปาปาาัสะกัรนังกุศลสูปัสสมปทาสจิตตปริโยทะ ป, ป น, นังเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้จําไว้ให้แม่นเลย เพราะมะนั้นเราจะไม่ชัดเจนเวลาเราไปพูดหลักพระพุทธศาสนาว่าไงคนที่จําได้แม่นพูดออกมาแม้แต่ตัว อ, อักษรยังถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นมันก็แม่นยำเพรา ะ, ะนั้นความจำเนี่ยมันช่วยให้เนื้อหาต่างเนี่ยมันแม่นยําด้วยนนะฉั้ทางโบราณถ้าจึงถือว่าทรงจำํำทรงเอาไว้ได้คือเก็บรักษาไว้ได้เพราะงั้นมันไม่อยู่ก็ได้เปรียบคนที่ทั้งจําได้เข้าใจดีเอาไปใช้ประโยชน์สําเร็จนี่เป็นคนที่ได้เปรียบครบวงจรหรือเต็มกระบวนการ นันก็เป็นเรื่องที่ควรจะย้ํากันไว้วันนี้ก็เอากระทุโออัธปาติโมกมาพูดให้ฟังเพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจเราที่ท่านทํามาให้อย่างนี้ก็เหมาะกับการจําและพอสั้นๆแล้วไปขยายความเอาจะอธิบายพระพุทธศาสนาอย่างไรก็อธิบายได้หมดเมื่อจะมาพูดมาถึงขั้นนี้แล้วก็บอกหัวข้อไปหมดแล้ ว, ลวบอกว่าไม่อธิบายแล้ววันนี้จะพูดอะไรล่ะก็หมดเรื่องที่จะพูดสิ ที่จริงไม่หมดเพราะว่าเรื่องของหลักธรรมนี่มีแง่พูดเยอะพูดไปแง่ไหนแง่ไหนก็ได้ทีนี้วันนี้มีเรื่องอยากจะพูดสักแง่หนึ่งก็คือเวลาเนี้ยชักจะมีความสับสนเพราะเหตุที่ว่าวันมาคาบูชาเนะี่ยมีวันหนึ่งมาใกล้เขาแล้วพอถึงวันนั้นคนก็มาพูดและแถมพาดพิงมาคบูชาซะด้วยก็คือวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะปีนี้ก็มาใกล้กันมากเมาสองวันที่แล้ววันที่14ี่เป็นวันวาเลนไทน์มาถึงวันวาเลนไทน์ก็มีการพูดกันโยงมหาวันมาคบูชาด้วยเราก็ต้องใช้สิทธิพักผิง น, นีก็พูดถึงสิทธิาผากผิงสัหน่อยนี่นี่วันนั้นหลวงลุงที่วัดเนี่ยท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังตอนเย็นนี้ท่านก็อ่านไปก็มีข่าวหนึ่งบอกว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่สนับสนุนวันวาเลนไทยให้สนับสนุนวันมาคาบูชาว่าอย่างนั้นแล้วก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ในบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์ก็มีหลายอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าวันวาเลนไทยเขาก็เป็นวันสําคัญสากลนี่น ะ, นะก็ควรจะได้ร่วมอะไรต่างๆบางคนก็บอกว่าเป็นวันแห่งความรักเดี๋ยววันแห่งความรักก็ว่ากันไปไม่รู้รักแง่ไหนแง่ไหนก็เละกันหมดเลย นี่มันกลายไปว่าเอ๊ะนี่เราทําอะไรเราทําด้วยความรู้ความเข้าใจชัดเจนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแยกให้ชัดเมื่อเราชัดแล้วเนี่ยไม่ใช่พูดนอกเรื่องแต่เป็นการที่ทําให้โยมเนี่ยมีสมาธิในการร่วมพิธีมาคาบุชาเพราะถ้าเรายังคลุมเครือสับสนปนเปนอยู่แล้วก็ทําอะไรต่ อ, อะไรจิตใจมันไม่มั่นไม่คงมันสับสนมันวุ่นวายวอกแวกฟุ้งซ่านได้ง่าย ถ้ารวมรู้เข้าใจอะไรแต่ไรชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรได้ความมั่นใจเต็มใจเกิดสมาธิได้ง่ายเพราะปัญญามันมีปัญญาเป็นตัวชําระสัสางให้จิตมันบริสุทธิ์อย่างคาถาโอวาทปาติโมกถือว่าสจิตะประโยชน์ถ้ า, าปัญตัวปัญญาเป็นตัวชําระใจให้ผ่องใสจิตมันก็จะบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องรบกวนใจมันก็เป็นสมาธิแน่วแน่ไปนในการทําความดีได้ถ้ายมยังไม่รู้เข้าใจสับสนมันก็วอกแวกวอแหว ฟุ้งซ่านไปเรื่อยอันนี้ปัญหาเรื่องสังคมไทยเวลานี้ก็คือเราเนี่ยมักจะแสดงความเห็นกันมากแต่ไม่หาความรู้อันนี้ต้องย้ำกันบ่อยๆมีอะไรเข้ามาก็ทาตามตา ม, ตามกันไปตื่นตามเสียงเหล่าหรือบ้างนึกเอาเองว่ากันไปบ้างเนี่ยแสดงความเห็นกันเกลื่อนหมดรวมทั้งเรื่องวาเลนไทน์แสดงความเห็นแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรกันแน่ดันั้น เราจะต้องมีความรู้เข้าใจสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยให้ชัดคนที่รู้เข้าใจอะไรชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันวางตัววางใจต่อเรื่องนั้นได้ถูกต้องเข้าไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแหละอย่างน้อยห้าเปอร์เซน์เลยนะพอรู้ชัดเจนแต่ถ้าไม่รู้มันวางตัววางใจไม่ถูกนี่นอกจากวางตัววางใจถูกแล้วมันสามารถทำอะไรต่อสิ่งนั้นปฏิบัติจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างพอเหมาะพอดีด้วย ถ้ามันไม่รู้จริงมันทำให้พอเหมาะไม่ได้มันก็ปั่นป่วนมันก็ทำเอาตามที่คิดที่ฝันเอาละเมอเพ้อพกไปแน่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าควรจะมีหลักการให้ได้องค์ประกอบในการปฏิบัติสักอย่างน้อย3ามประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือทำด้วยความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนที่สุดโดยใช้สติปัญญา อันนี้อที่หนึ่งนะสองทแล้วเป็นการส่งเสริมความดีงามของชีวิตและสังคมหรือทําให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ต้องดูว่าเออทําแล้วมันส่งเสริมความดีงามกับชีวิตและสังคมหรือเปล่าช่วยสังคมก้าวหน้าไปนในการสร้างสรรค์ไหมกิจกรรมจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่และวก็สก็คือว่าถ้าจะมีการสนุกสนานบันเทิงต้องไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น อันนี้เป็นหลักการสําคัญสามประการเนี่ยแล้วสังคมนั้นมันจะดีเพราะว่าการที่เรามีประเพณีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องการให้เป็นวัฒนธรรมเมื่อเป็นวัฒนธรรมมันก็เป็นเครื่องช่วยให้สังคมนั้นดีงามงดงามแล้วก็จเจริญงอกงามต่อไปด้วยะนั้นก็จะต้องมีหลักการทั้งสาประการนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะข อ, อการพูดเรื่องวันวาเลนไทน์ด้วยแต่การพูดในวันนี้เป็นการพูดให้ความรู้เป็นการพูดไปตามที่มันเป็น คือไม่มุ่งประสงค์ในการที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใครเป็นยังไงทํำยังไงอะไรหรอกให้ความรู้ตามที่มันเป็นการรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยเป็นพื้นฐานที่บอกเช่นหรือ ย, ยกขึ้นมาเลยตน้ตนต้นตั้งแต่บอกว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญสากลเนี่ยคำว่าสากลเนี่ยในภาษาไทยเดี๋ยนี้เรามักจะเอาฝรั่งเป็นสากลคำว่าสากลเนี่ยมันต้องทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วโลกแต่เดี๋ยวนี้ก็ เป็นมานานแล้วเมืองไทยคืออะไรเป็นฝรั่งก็เป็นสากลอย่างเสื้อผ้าชุดสากลก็คือชุดฝรั่งนี้ต่อมาวันนี้สากลถ้าเป็นวันฝรั่งแต่ว่าเป็นวันสําคัญฝรั่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะฝรั่งเป็นสากลนักขันหนึ่งแล้วทีนี้เป็นวันสําคัญของฝรั่งจริงหรือเปล่าก็ให้มาพิจารณาดูได้เคยสืบกันหรือเปล่าอ้าวดูที่ว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญของฝรั่งไหม หนึ่งในแง่ของทางบ้านเมืองสองทางศาสนาในแง่หนึ่งก็คือในแง่ของบ้านเมืองอา้าวเอาเมืองฝรั่งฝรั่งที่เด่นปัจจุบันก็ประเทศอเมริกาประเทศอเมริกามีวันสําคัญของชาติที่หยุดราชการทั้งประเทศเนี่ยกี่วันอะไรบ้างถ้าเอาอยู่ราชการทั้งประเทศถ้าถอยหลังไปก่อนปีหนึ่งเก 68แป อ, อย่างงี 1968, น้นเดนี่เด็กต้องบอกได้เลยว่าจะทำให้เป็นพุทธศักราชเอาไงบอกได้ไหมเด็กต้องบอกได้ทันทีบอกเอาห้าสี่สาบวกเข้าไปเนเมื่อหาสี่สาบวกเข้าไปก่อนขอศหนึ่นี่ก็คือก่อนพศสอ1 1ก่อนพศ2อ1นอสเอ 11, นะอเมริกามีวันสำคัญหยุดราชการทั้งประเทศนะ่อยู่แวันมีวันอะไรบ้างก็มีหนึ่ง New Year's Day ก็วันขึ้นปีใหม่สองวอชิงตันเบิร์ดเดย์วันเกิดของยอดวอชิงตันก็คือวันเกิดของผู้นำของอเมริกาที่ทำสงครามเพื่ออิสรภาพของประเทศอเมริกาและก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาด้วยสามวันอะไรก็วันเม m โมเรียนสเดย์วันที่ระลึก ถึงทหารที่เข้าร่วมสงครามพีเชีพเพื่อเทศชาติอเมริกานแล้วก็สี่อะไรสี่ก็อ n d e p e n d e n c e Day วันประกาศอิสรภาพวันที่สี่กรกฎาคมซึ่งเรียกง่ายๆก็วันชาติอเมริกันต่อไปห้าอะไรก็ Labor Day วันแรงงานแล้วหกอะไรตอนนั้นข้ามไปวันที่หกก็คือเว t เ r a n s Day ซ e t ด r a n s Day ก็คือวันทหารผ่านศึก แล้วก็เจ็ดแซงสกีฟวิ่งเดวันขอบคุณพระเจ้าเป็นการระลึกถึงบรรพรุษอเมริกันรุ่นบุกเบิกที่เดินทางหนีภัยมาจากยุโรปและมาขึ้นฝั่งที่อเมริกาแล้วประมาณครึ่งหนึ่งรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวปีแรกไปได้โดยมีพวกอินเดียนแดงเป็นต้นมาช่วยเหลือนอันนี้ก็ฝรั่งก็ถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้เขา รอดชีวิตมาได้เนี่ยอเมริกันก็วันแซงกิฟต์นี่เป็นวันสำคัญของอเมริกาที่มีทั้งประเทศหยุดเมื่อ383ปีมาแล้วทีนี้ต่อไปก็วันริสมัดเป็นวันที่8ก็รู้กันอยู่แล้วเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูเป็นวันประสูติเนี่ยครบแล้วต่อมาปีนั้นแหละ1968เขาก็เพิ่มวันสำคัญที่หยุดราชการของประเทศอเมริกาขึ้นมาอีก หนึ่งวันคือวันโคลมบัสเดย์คือวันที่ระลึกโคลมบัสที่ถือว่าเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาแล้วต่อมาปี1986 1เ8 6เอาเด็กบวกทันที543สาบวกเข้าไปได้เท่าไรได้พอศสอ3 3รสใช่ไหมพอพศสอั้รอยสามสิบอเมริกาก็เพิ่มวันอยู่รัชกาลเข้าไปอีกวันหนึ่งคือมาตินโรเธอร์คิงส์เบิร์ดเดย์วันเกิดของมาตินโรเธอร์คิงที่เป็นหัวหน้า c i v i l ด์ e ลท์สโบ e ุฟที่ดิ้นรนเพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของชาวผิวดำนี่คือวันอเมริกาที่หยุดราชการทั้งหมดเนี่ยมี1ิบวันในปัจจุบันเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วนะนี่ต่อไปอเมริกาเนี่ยเขาให้มีให้รัฐแต่ละรัฐเนี่ยประกาศวันหยุดราชการของรัฐขึ้นต่างหากได้พิเศษเพิ่มจาก10บวันนี้แต่ละรัฐละรัฐก็มีของตัวเองแล้วเขาก็สรุปบอกว่า ในบรรดาวันทั้งหลายที่เป็นวันของรัฐต่างๆนั้นไม่มีวันวาเลนไทน์เป็นวันสำคัญของรัฐใดทั้งสิ้นในประเทศอเมริกาเอาให้ไปตรวจสอบดนะูอันนี้ก็เป็นอันว่าให้รู้กันไปพูดกันตามความเป็นจริง mm hmm. ต้องรู้ไม่ใช่อยู่ก็นในความลุ่มหลงทำไปเรื่อยๆปๆ่อยต่อไปทีนี้ในแง่าศาสนาในแง่าศาสนาอนนี้เป็นยังไง ชื่อเต็มของวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาไม่ใช้เรียกแค่วาเลนไทน์เดย์เขาเรียกเซนส์วาเลนไทน์เดย์คือวันเซนส์วาเลนไทน์เซนส์ก็คือนักบุญเมื่อเป็นนักบุญก็มาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยก่อนนี้นิกายโรมันคาทอลิกก็ถือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเซนส์วาเลนไทน์เป็นวันสําคัญวันหนึ่งจากรนั้งต่อมาเขาก็มีการที่ชําระสัตว์สางปฏิทินวันสําคัญของ ศา ส, สนาคริสต์ที่ายรละมันคาทอลิกเมื่อปี1969ปี1969ก็ต่อจากปีที่รัฐบาลมริการประกาศวันโคลมบัสนั่นแหละวันปีต่อมา1969ก็คือปี2512ทางองค์กรศาสนาคริสต์ที่วาติกันก็มีการชำระศรลสารปฏิทินแล้วก็ปรากฏว่ามีวันสำคัญต่างๆระลึกถึงเส้นทั้งหลายมากมายที่ ไม่มีความชัดเจนแน่นอนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ในที่สุดก็เลยจัดการปลดวันเหล่านั้นออกจากวันสําคัญในปฏิทินของศาสนาคริสต์นิกายละมันคาทอลิกก็ปรากฏว่าปีนั้นได้ปลดวันวาเลนไทน์ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลานี้วันวาเลนไทน์เนี่ยถูกถอดออกไปแล้วไม่มีในปฏิทินศาสนาคริสต์นิกายละมันคาทอลิกแล้วถามว่าแล้วเป็นวันอะไรฝรั่งเขาก็บอกว่าเป็น p o p u า a r Festival ป๊อปปูล่าเฟสติวัลก็คือเป็นเทศกาลประลำปรราที่ถือกันสืบสืบมาของชาวบ้านอันนี้โยมก็ต้องรู้ไว้อ น, นี้คือข้อเท็จจริงที่แน่นอนนิธิว่ามันเป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลถือกันสืบสืบมาไม่มีเรื่องราวชัดเจนแน่นอนก็เลยต้องสอนิษฐานกันก็มีนิทานต่างๆเป็นเรื่องสอนิษฐานสนิฐานได้ก็สรุปสามอย่างนะอันนี้ว่ากันให้ชัดเลยเรื่องวันวันเลนทย ว่าวันวาเลนไทน์มีความเป็นมาอย่างไรก็สันนิษฐานได้สมอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเคยค้นพบในคําประพันธ์ของกวีชื่อชอเซอร์จอเซอร์ได้เป็นกวีของอังกฤษเมื่อประมาณ6กรหปีมาแล้วเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษในสมัยกลางของยุโรปนะกรวีท่านผู้นี้เขียนคำประพันธ์ไว้ตอนหนึ่งก็บอกว่าวันที่สิสี่กุมภาพันธ์วันเซนตะ์วาเลนไทน์นั้นเป็นวันที่นกทั้งหลาย เริ่มเลือกคู่นะเอาละนี่เป็นวันที่คนคว้าได้เก่าแก่ที่สุดก็คือเป็นวันที่นกเลือกคู่นะอันที่หนึ่งต่อมาข้อสนิษฐานที่สองก็บอกว่าวันวาเลนไทยเนี่ยอาจจะสืบเนื่องมาจากเทศกาลของชาวโรมันโบราณพวกโรมันโบราณก็คือพวกที่ครอบครองยุโรปประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นสมัยก่อนในะอยู่ใต้อํานาจอจาณาจักรโรมัน อาณาจักรโรมันโบราณนี้ก็มีเทศกาลหนึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลลูเปอร์คาเลียเทศกาลนี้ก็บูชาเทพเจ้าชื่อลูเปอร์คุสลูเปอร์คุสนี่เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องพิทักษ์ฝูงแกะและผู้เลี้ยงแกะเขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าของคนเลี้ยงแกะให้พ้นจากอันตรายของการรบกวนของหมาป่าคือหมาป่านี่มันเข้ามากินแกะกินอะไรทําให้เดือดร้อน เขาก็เรียกว่าเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์เจริญพันธุ์ก็คือช่วยให้พวกแกะเนี่ยมันแพร่ขยายพันธุ์ได้ไม่งั้นมันโดนไอ้เจ้าหมาป่ามันมารบกวนมันมากัดมากินก็เลยถือเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์รวมทั้งเทศกาลเจริญพันธุ์ของพวกผู้ลิงแกะทั้งหลายด้วยนี้เทศกาลลูเปอร์เคเลียของพวกโรมันโบราณเนี่ยมันลงในวันที่15บหกุมภาพันธ์ทีนี้พอพวกนี้นานับถือศาสนาคริสต์พวกยุโรปเนี่ย นับถือศาสนาคริสมีเส้นต่างๆมีเส้นวาเลนไทน์อะไรตอะไรเกิดมาในวันทีถูกประหารชีวิตถูกพวกโรมันในประหารชีวิตนั่นเองเพราะตอนแรกในพวกโรมันไม่นับถือคริสก็กาจัดศาสนาคริสก็คนถูกฆ่าตายได้เป็นมา์ตี้เป็นผู้ทิศตัวอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาในกันมากก็มีเส้นวาเลนไทน์ขึ้นมาสองท่า น, นอันนี้ฉลองเทศกาลเส้นวาเลนไทน์ในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์แต่ว่า ความหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นเทศกาลของลูเปอร์เคลียของโรมันโบราณวันที่สิห้ากุมภาพันธ์ก็หมายความว่าเขาคิดว่าฝรั่งเนี่ยเอามาสับสนปนเปก็เลยมาฉลองวันเดียวกันตัววันนะ่ะเป็นวันของเสต์วาเลนไทน์แต่ความหมายเป็นของเทศกาลลูเปอร์เคเลียของโรมันโบราณก็คือเป็นเทศกาลเจริญพันธุ์เนี่ย fertility festival นีอันนี้ก็เป็นสันนิษฐานที่สองต่อไปสันนิษฐานที่สาม ก็คือว่าพวกโรมันโบราณนี้ปกครองอยุโรปมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วศาสนาคที่เกิดขึ้นก็ถูกห้ามหันถูกจับค่ากันอันนี้เงจนกระทั่งวันต่อมาพวกโรมันโบราณนี้ก็มีถึงยุคของพระเจ้าคอนสแตนตินที่หนึ่งที่ได้มาเปลี่ยนเป็นชาวคริสต์แล้วก็ยกศาสนาคริสต์ก็เริ่มได้เป็นศาสนาประจํารัฐของจักรวรรดิโรมันนีนในระหว่างเนี่ย ช่วงตอนๆก็มีปัญหาเกิดเซนวาเลนไทน์ขึ้นมาอย่างน้อยสองคนเรื่องทำไมชัดเจนว่าเซนวาเลนไทน์สองคนนี้ที่จริงเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าประวัติยังไงก็แน่นอนก็ไม่รู้ก็มีเรื่องเล่ากันมาเซนวาเลนไทน์หนึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าท่านจักรพรรดิโรมันที่หนึ่งชื่อคลอสติสติสสองเนี่ยเมื่อปี240แห่งคริสต์ศตวราชจักรพรรดิผู้นี้ได้ประกาศ ไม่ให้ชายหนุ่มแต่งงานเพราะชายหนุ่มเนี่ยควรจะไปเป็นนักรบในสงครามมากกว่าเมื่อประกาศห้ามไม่ให้ชายหนุ่มแต่งงานแล้วทุกคนต้องถือปฏิบัติทีนี้ในาศาสนาคริสต์นั้นบาทหลวงเ็าทำวิธีในการที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีแต่งงานด้วยป ร, ปรากฏว่าท่านบาทหลวงวาเลนไทน์เนี่ยไปฝืนคำสั่งของพระจกักรพรรดิโรมันก็ไปประกอบพิธีแต่งงานให้กับชายหนุ่มหญิงสาว ก็เลยถูกจกักรพรรดิโรมันเนี่ยจับไปประหารชีวิตนะราะนั้นก็เลยเรื่องของเซนวาเลนทยก็เลยเข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องของคู่รักเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นนิฐานที่หนึ่งนะเป็นเรื่องที่มาชัดเจนสรนิฐานต่อไปก็มีเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็บอกว่าท่านวาเลนทยเนี่ยถูกจกักรพรรดิโรมันจับด้วยสาเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วระหว่างที่ขังคุกเนี่ยก็ ได้ทําบุญคุณให้แก่ผู้ที่จับตัวท่านก็คือว่าลูกสาวของฝ่ายที่จับท่านคือเป็นพวกโรมันเนี่ยคงจะเป็นโรมันเนี่ยลูกสาวแกตาบอดนะก็เลยเซนวาเลนทายนี่ช่วยทําไงก็ไมร่รู้ทำให้ลูกสาวของคนนี้เขาหายตาบอดได้ก็เลยทําให้เกิดความดีงามขึ้นมาเป็นที่ระลึกก็เลยมีความหมายเกี่ยวกับคู่รักความรักเรื่งระหว่างหนุ่ม นี่ก็เรียกว่าเป็นความเมตตาและทีนี้แต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ต่อมาก็มีนิทานที่สามนิทานที่สามนี้ก็บอกว่าวาเลนไทน์เนี่ยเป็นผู้ที่ผูกพิษกับเด็ก ๆ, ๆทั้งหลายรักมากแต่ว่าวาเลนไทน์พระตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมไปบูชาเทพเจ้าของโรมันก็เลยถูกพวกโรมันจับไปประหารชีวิตระหว่างที่ถูกขังอยู่ในพวกเด็กๆเพราะ ความที่รักท่านวาเลนไทน์เนี่ยก็พากันไปเขียนข้อความฝากแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแสดงความรักไว้ที่ลูกกรงเหมือนกันนะก็เลยอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่มีการเขียนถ้อยคำํำหรือการวาเลนไทน์ขึ้นมาต่อมานี้ก็สนิษฐานนี่ก็เป็น3มนิทานและยังมีนิทานอื่นอีกเอาแค่นี้ก็พอที่พูดมานี่ก็เป็นการพูดให้รู้ว่าเรื่องวาเลนไทน์เนี่ยไม่มีความชัดเจน ในที่สุดก็เลยถูกถอดออกจากปฏิทินศาสนาคริสต์ไงละมันคาทอลิกจบไปอาวัตรเจลานี้ไม่ได้เป็นวันสําคัญของใครทั้งสิน้นก็เป็นป๊อปปูล่าเฟสติวัลอย่างที่ว่าฉะนั้นถ้าจะทําก็ทํากันให้ถูกอันนี้เพราะเหตุที่ประวัติมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นคู่รักความเจริญพันธุ์อะต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาเรียกวันนี้ว่าถ้าเรียกเต็มถ้าเรียกปกติก็เรียกเฟสติวัลออฟลัฟแต่ว่าจะเรียกอีกเต็มว่าเฟสติวัลออฟโรแมนติกลัฟ อันนี้เรียกให้ถูกเนี่ยคเต็มท้่ว่าอย่างนี้เป็นโรแมนติกลาฟโรแมนติกลาฟก็คือความรักประเภทฝันหวานเนี่ยท่ำโถนหวนหาอย่างนี้เรียกว่าโรแมนติกลาฟก็คือความรักระหว่างหญิงสาวกับชายหนุ่มก็เลยเกิดการพัฒนาเรื่องของประเพณีพิธีกรรมการฉลองในวันวาเวลนไทน์ซึ่งถูกยกเลิกไปจากทางการหมดแล้วเนี่ยวันวาเวลนไทน์เขาชาวบ้านทําไงอา้าวเขอถอยหลังไปในโบราณถ้าถอยหลังไปตอนนั้นอังกฤษ ตอนนั้นอังกฤษเป็นใหญ่อเมริกายังไม่เกิดถ้าพูดถึงฝรั่งสมัยก่อนก็ต้องเอาอังกฤษฝรั่งเศสนี่เพราะฉะนั้นเราไปพูดถึงฝรั่งสมัยก่อนฉลอง ว, วันวาเลนไทน์อย่างไรเราก็ไปดูอังกฤษเขาก็ถอยหลังไปให้ดูว่ า, วาที่อังกฤษสมัยก่อนเนี่ยพอถึงวันวาเลนไทน์เช้าตรู่ก่อนรุ่งอรุณหญิงสาวทั้งหลายที่เป็นโสดก็จะรีบตื่นขึ้นมานะรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเยี่ยมมองที่หน้าต่าง เห็นชายหนุ่มคนไหนโผล่ขึ้นมาก่อนก็แสดงว่านั้นคนนั้นเป็นเนื้อคู่ว่างั้นถ้าหากว่าไม่ใช่คนนั้นก็จะเป็นหญิงเเป็นผู้ชายที่มีหน้าตาลักษณะแมนไม้กับคนที่มองเห็นชาวนั้นนี่ก็เป็นการเสี่ยงถ่ายเรื่องเนื้อคู่แล้วก็มีประเพณีต่อไปอีกเช่นว่าในอังกฤษเหมือนกันก็คือว่าพอถึงค่ำวันก่อนวันวาเลนไทยก็คือวันที่13บมกุมภาพันธ์ คืนนั้นก่อนจะนอนหญิงสาวก็จะไปเอาใบไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกก็บใบเบใบเบนี่มีกลิ่นหอมเอามาห้าใบแล้วก็ใบหนึ่งก็มาเสียบเข้าที่กลางหมอนแล้วก็อีกสี่ใบก็เสียบที่มุมหมอนแต่ละมุมและเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็ฝันเนีเวลานอนเนี่ยด้วยฤทธิ์แรงของอาจจะเรียกอาถรรพ์ก็ไม่ถูกว่าอาถรรพ์ใช่ในทางไม่ดีเน่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของ การใช้ใบไม้นั้นไปเสียบที่หมอนนั้นคืนนั้นก็จะฝันเห็นเนื้อคู่วะอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงทายเรื่องเนื้อคู่อีกต่อไปยังมีอีกวิธีอื่นอ่าวิธีอื่นก็สาวโสดเนี่ยก็จะเอากระดาษมาทําเป็นชิ้นๆแล้วก็เขียนชื่อผู้ชายต่างๆที่ตัวรู้จักลงไปแล้วเสร็จแล้วก็เอาใส่ในดินเหนียวแล้วก็ปั่นเข้าแล้วก็เอาภาชนะใส่น้ํามา แล้วก็เอาก้อนดินเหนียวที่มีชื่อของผู้ชายต่างๆเหล่านี้ใส่ลงไปในน้ํานี้เมื่อใส่ลงไปแล้วดินเหนียวมันก็จะละลายแล้วก็กระดาษชิ้นไหนลอยขึ้นมาก่อนคนนั้นแหละไปเปิดดูจะเป็นเนื้อคู่ของคุณว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ชาวอังกฤษว่าอย่างงั้นอันนี้ก็ต่อไปยังมีอีกวิธีหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือว่าพอถึงวันวาเลนไทน์นั้นตอนเที่ยงคืนหญิงสาวโสดนี่ก็จะอยากหาเนื้อคู่ ก็จะไปเดินรอบโบสถ์โหลดของศาสนาคริสต์เนี่ยของคาทอลิกเนี่ยไปเดินสามรอบบ้างหรือถึงกระทั่งสิบสอรอบบ้างแล้วหวังได้ว่าอาจจะพบกับเนื้อคู่วันนั้นน่ยอันนี้เป็นวิธีต่างๆไหมกระทั่งผู้ชายก็มีผู้ชายก็เขียนชื่อผู้หญิงใส่กระดาษแล้วก็เอาในใส่หยิกใส่ภ า, าชนะแล้วก็เอามือล้วงจิบลงไปได้ชื่อในกระดาษแผ่นไหนไม่ชื่อผู้หญิงคนไหนก็ให้เอาใจใส่ดูแลผู้หญิงคนนั้นเป็นพิเศษตกลงจะเห็นได้ชัดเลยว่า เทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งโรแมนติกลัฟอย่างไรนะอันนี้ชัดเจนพอแล้วไหมคิดว่าโยมชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วทีนี้จะได้ไม่ต้องมายุ่นวายพูดกันไปอย่างโน้นอย่างนี้นะีก็ไปอ่านว่าเป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟแล้วประเพณีฝรั่งก็เป็นวันเสี่ยงไทยเนื้อคู่แต่ดีนี้ปรากฏว่าเด็กไทยนี่ได้ข่าวว่าเลยกับฝรั่งลํำหน่ายวันวาเลนไทน์นี้ฝรั่งยังแค่เสี่ยงไายเนื้อคู่เนะี่ยเด็กไทยตอนนี้มันเลยไปเยอะเลยนะีย ที่ว่าเด็กไทยนี่รับอะไรมานี่ไปได้เดินหน้ากับฝรัง่งเอ๊ะจะเป็นเดินหน้ากับฝรั่งในทางดีสร้างสารรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่นั้นก็เป็นเรื่องที่หลวกควรจะคิดแต่อย่างน้อยก็คือว่าทําอะไรทําด้วยความรู้แล้วให้มันชัดเจ น, เ, นเด็กเราในพอได้ยินเรื่องนี้ปั๊บต้องไปคน้นวาเลนไทยมันเป็นยังไงมาอย่างไงกันว่ากันให้มันชัดไปเลยการทําอะไรโดยไม่รู้นี่มันไม่เป็นสิ่งที่ดีนะท่านนี้นนก็ เวลาเราจะรับอารยธรรมวัฒนธรรมนอกนี่เราต้องเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ไม่ใช่ว่ารับมาแล้วได้แต่ลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, ลนลหลงไหลไปเนี่ยอย่างฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรมาฝรั่งญี่ปุ่นทำาอะ ไ, ได้คนไทยเก่งเลือกเก็บเอามาเป็นทุน เ, เก็บมาเพิ่มทุนของตัวเองทุนของตัวเองก็มีแล้วยังไปเอาของฝรั่งญี่ปุ่นมาเพิ่มทุนตัวเอง ไทยก็เก่งสิก็เดินหน้าอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้อย่างนี้ไทยก็ก้าวหน้าได้แต่ถ้ามีอะไรของฝรั่งญี่ปุ่นทำขึ้นมานฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรได้คนไทยได้แต่เพลิดเพลิ น, น, นลหลงไหลไปก็อย่างนี้ไม่ช้าก็หมดความเป็นไทยนะหมดความเป็นไทยก็เพลิดเพลิ น, นลหลงไหลมันก็กลายเป็นทาตไปแทนที่จะเป็นไทยเพราะนั้นถ้าจะาทำให้ดี อย่าเป็ น, ปนทาสเอามันมาเป็นทุนของฝรั่งเนี่ยเอามาเป็นทุนเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้โอกาส เ, เรารัดเวลาฝรั่งญี่ปุ่นทํามากว่าจะคิดได้สาเร็จทำไปได้แค่นี้พอทํามาแล้วเรารีบเก็บเลือกเอามาเพิ่มทุนของเราพอเพิ่มทุนของเราเราก็เดินหน้าแม้แต่วันเวลาอย่างเดียเ๋ยวนี้ใช้กันอะใช้ปีสองพัน 3นก็คือคริสต์ักาชใช่ไหมเนี่ยไม่ใช้พุทธกักาตเดี๋ยวนี้เยอะหมดเลยเอก ส, สารอะไรต่างๆใช้2 0 0 3ถ้าเป็นเอกชนราชการยังมีระเบียบบังคับไว้ถ้าเป็นเอกชนมักจะใช้2 0 0 3หรือ03ก็คือใช้คริสต์ักฤตหรือเดี๋ยวนี้บางทีเขาเรียก Era. คอมมอนอูรานีคริสต์ักาชนี้ใช้ไปได้ลุ่มหลงเพลิดเพลิ น, นมันก็ไม่ดีก็แสดงว่าเราเนี่ย ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วเราจะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็จะลหลงไหลกลายเป็นธาตอย่างที่ว่าแต่ถ้าเราจะใช้เป็นทุนเราก็ได้สองชั้นเลย2องพเราก็ได้สองพก็ได้ก็หมายความว่า twenty t h r e ันก็ได้ twenty f ันก็รู้และคนที่ได้เฉพาะ2003แล้วไม่รู้2546กกับคนที่ได้ทั้งสองอย่างใครดีกว่ากัน ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ทั้ง 2,003 ทั้ง 2,546 เนี่ยดีกว่าใช่ไหมนั้นยังคนที่รู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่รู้ภาษาไทยดีไหมอ่ก็ก็ดีอยู่รู้แต่ไม่รู้ไทยไม่ดีอาจจะโก้แต่ไม่เก่งถ้าจะให้โก้ด้วยเก่งด้วยก็ต้องรู้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วใครจะดีกว่ากันระหว่างคนที่รู้แต่ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาไทยกับคนที่รู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คนที่รู้สองภาษาก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าฝรั่งญี่ปุ่นทําอะไรได้คนไทยต้องเลือกเอามาเพิ่มเป็นทุนขอเอามาเพิ่มเป็นทุนของตัวเองแล้วทุกตัวก็มีทุนของตัวเองเสริมเข้าไปเดินหน้าไปเลยอย่ากลายไปเป็ น, ปนลหลงไหลเพลิดเพลินตามไปก็กลายเป็นทาตไปเพราะฉะนั้นมันก็จุดมันก็อยู่แค่นี้แหละนั้นเวลานี้เราทําแบบไหนก็ทํากันซะให้ถูกต้องแล้วชาติไทยสังคมไทยมันก็จะอยู่ดีได้ พ่อแม่ก็ไม่ต้องไปวันวิตกวันวาเลนไทน์อีกนีวันวาเลนไทน์ก็ทําปฏิบัติซะให้ถูกต้องตามที่ว่ามาก็รวมที่อัตาภาพกล่าวมาเนี่ยก็สรุปได้ความเขาชัดเจนและฝรั่งเขาก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เป็นเทศกาลแห่งโรแมนติกลัฟนีทีนี้ฝรั่งเองเนี่ยในยุคนี้เพราะว่าเป็นพอ popular f e s t i v a เป็นเทศกาลของประชาชนชาวบ้านต่อมาก็ ไปนับถือปฏิบัติกันก็มีการขัดเกลาวให้ประณีตขยายความหมายให้มีประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันในประเทศฝรั่งเองก็มีการที่ให้การวาเลนไทน์แสดงความรักความปรารถนาดีแก่เพื่อนฝูงด้วยแล้วก็เด็กๆถึงวันวาเลนไทน์ก็มาแสดงความรักให้ดอกกุหลาบให้การแก่คุณพ่อคุณแม่ด้วยแก่คุณครูด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องความรักที่ดีก็ขยายความหมายถ้าทําำถ้าอย่างนี้คนไทยถ้าจะรับมาก็ทำซะให้มันถูก รับแต่ส่วนที่ดีมาแล้วเราก็พัฒนาให้ประณีตยิ่งขึ้นนี่คือการนี่คือการเพิ่มทุนไม่ใช่การตกเป็นทาสนะตกลงว่าวิธีรับอารยธรรมวัฒนธรรมตะวันตกก็คือเอามาเพิ่มทุนของตัวเองอย่ากลายเป็นทาสถ้าเราเอามาเพิ่มทุนแล้วไม่เสียหายเรามีแต่ดียิ่งขึ้นเราจะก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปด้วยวิธีเพิ่มทุนนี่เราทําได้ถ้าใช้ปัญญาทุกทีพออย่างแรกมาถึงปับ๊บก็คือศึกษาให้มารู้ประชัดไปเลย เราจะปฏิบัติได้พอดีแล้วเราก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยวันวลาลนไทยก็เป็นความวันแห่งความรักความรักแบบคู่ครองโรแมนติกรับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่ทีนี้ว่าเราจะอยู่แค่นั้นได้หรือสังคมจะอยู่ดีงามก็ต้องมีการพัฒนาไปมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมขึ้นมาเราก็มาทำให้ประณีตตอนนี้แหละที่จะมาโยงเข้าถึงวันมาคบูชาได้ ในวันมาฆบูชานี้เป็นวันแห่งธรรมธรรมะก็จะมาขัดเกลาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประณีตยิ่งขึ้นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักแบบคู่ครองแบบฝันหวานข้ามควรฝ่ายหาเนี่ยที่ว่าโรแมนติกรับเนี่ยมันเป็นความรักระหว่างบุคคลและเป็นความรักที่เน้นการได้เพื่อตัวเองท น, นี้เรามาดูวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาติโมก ให้หลักธรรมคาสอนแก่ใครแก่พระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้หมดกิเลสแล้วไม่มีอะไรต้องทําเพื่อตัวเองแล้วแล้วตอนนี้จะยังไงล่ะก็คือพระพุทธเจ้าสอนพระอาหารหันต์เหล่านี้ให้รู้หลักการในการที่จะไปทําหน้าที่คือการที่ไปสั่งสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกตามหลักการที่มีมาแต่เดิมแล้ววัตถุประสงค์ว่าพระสงฆ์นี่ จะต้องจาลิกไปเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนเพื่อเห็นแก่เมตตาการุณาแก่ชาวโลกอันนี้ก็คือความรักชาวโลกนั่นเองก็หมายความว่าวันแหง่งมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันเพราะว่าพระอราหันต์นั้นท่านรักชาวโลกทั้งหมดและท่านกําลังจะไปทํางานด้วยเมตตากรุณาก็คือความรักชาวโลกนั่นเองไปทําเพื่อประโยชน์สุขแก่เขามันต่างกันกันกบวันวาเลนไทน์ที่บอกเมื่อกี้ ว่าวันวาเลนไทน์นั้นเป็นวันความรักส่วนตัวจำกัดอยู่กับบุคคลหรือกลุ่มแล้วก็มักจะมุ่งผลตอบแทนเพื่อตัวเองแต่ว่าวันมาคบูชานัเป็นความรักของพระอาหารหันต์หรือท่านผู้หมดกิเลสที่จะรักประชาชนทั้งโลกจะไปทำให้แก่ผู้อื่นอย่างเดียวทั้งสากลจริงๆเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาความเป็นสากลแล้วก็กลายเป็นว่ามาคบูชานี่แหละสากล เมื่อกี้เราบอกว่าวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟตอนนี้เราก็บอกได้ว่าวันมาคบูชาเป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลัฟต์เป็นวันแห่งความรักที่เป็นสากลความรักที่เป็นสากลก็คือเมตตาก็ไปดูเถอะคำแปลนหนึ่งขอเมตตาก็คือยูนิเวอร์แซลลัฟเพราะว่าเมตตาน่ะเป็นความรักเพื่อนมนุษย์เป็นวิทย์ไมตรีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายไม่แบ่งแยกไม่จํากัด ปรารถนาประโยชน์สุขแก่เขาไม่ใช่เอาเพื่อตนนะถ้าเป็นรักแบบโรแมนติกก็ยังมีความห่วงเรื่องว่าเออเขาจะมารักฉันหรือเปล่าเขาจะไม่ให้อะไรฉันไหมแต่ถ้าเป็นรักแบบเมตาก็อยากจะไปทําให้เขาเป็นสุขอย่างเดียวดังนั้นตอนเนี้ก็เลยมาเชื่อมเรื่องวันวาเลนไทน์กับวันมาคบูชาได้ถ้าจะเทียบกันก็เทียบแบบนี้แต่ธรรมกี้บอกแล้วว่าเราไม่ไปวิจารณ์หรอกแต่ว่าให้รู้ซะจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ก็เมื่อจนอย่างนี้แล้วเราก็เห็นชาร์ดว่าฝรั่งเองเขาก็บอกไว้แล้วว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลักนะตอนนี้ก็วันมาฆบูชาเราก็พูดได้เต็มปากว่าเป็นวันแห่งยูนิเวอร์แซลลักนะต่อไปถ้าโยมจะไปพูดโยมก็บอกได้เลยบอกว่าวันมาฆบูชากับวันวาเลนไทน์นี้ต่างกันอย่างไรที่เดี๋ยวนี้เขามีการมาเทียบกันว่าเป็นวันแห่งความรักเราก็บอกว่าฝรั่งเขาก็บอกแล้วนี่ วันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลั b นะแล้วก็วันมาคบูชาก็เป็นวันยูนิเวอร์แซลลั b นี่ก็ในเมื่อเราจะรับวันวาเลนไทน์เราก็รับด้วยสติปัญญารับอย่างคนมีอารยธรรมเมื่อเป็นอารยชนก็ต้องทําด้วยความรู้เข้าใจแล้วก็เอามาขัดเกลากให้ประณีตต่อไปวันวาเลนไทน์นี่เมื่อเราไม่หลงไหลเพลิดเพลินนะเราก็ได้ประโยชน์ถ้าเราหลงไหลเพลิดเพลินไปตามกระแส เราก็ขอภัยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หลงไหลก็กลายเป็นธาตุแต่ถ้าเราวันวานไทยมาใช้ประโยชน์เป็นมันก็อาจจะเป็นทุนได้ส่วนหนึ่งนะเราก็ไม่หมดความเป็นไทยถ้าหากว่ากลายเป็นธาตุแล้ววันวาเลนไทยก็จะทําให้คนไทยหมดความเป็นไทยแต่ทีนี้ถ้าเราใช้เป็นเราก็ไม่หมดความเป็นไทยวันวาเลนไทยก็ยังทําให้เราคงความเป็นไทยแล้วคนไทยที่ มีความดีงามมีความสามารถก็จะทําวันวาเลนไทน์น well ั้นให้เป็นวันวาเลนธรรมไปเออถ้าใครเก่งก็ทําวันวาเลนไทน์ให้เป็นวันวาเลนธรรมไปเลยนีก็จะมาประสานกันเนีเปลี่ยนชื่อสมัยก็ยังได้วันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันวาเลนธรรมไปเลยนีก็อย่างน้อยก็เอาไปแข่งกันก็ได้พอถึงวันวาเลนไทน์ก็เรียกสองอย่างคนนี้จะเป็นวาเลนไทน์คนนั้นเป็นวาเลนธรรมน ก็ไม่รู้แหละเราทําได้ความรู้นี่ใครจะมาเถียงคนรู้แหละใช่ไหมเนี่ยก็อ้าวคุณว่ายังไงก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละนะีความรู้พื้นฐานมันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์ซะตกลงว่าพุทธศาสนิกชนจะต้องมีความมั่นใจในตนเองคือมั่นใจด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงชัดเจนแล้วมีเจตนาที่ดีมีความมุ่งหมายที่สร้างสรรค์ในการนำเอาสิ่งต่ตางๆเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าอย่างนี้แล้ว เราจะรับจะอะไรแต่อะไรเราก็ไม่เสียหายเพราะเรามีหลักของเราก็วันนี้ก็เลยขอโอกาสเหมือนกับวันนอกเรื่องแต่ที่จริงไม่ใช่นอกเรื่องเลยเป็นการพูดในเรื่องแท้แล้วโยมรู้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติการในเรื่องวันมาคบูชาเนี่ยได้อย่างมั่นใจตัวเองเกิดสมาธิใจไม่ฟุ้งซ่านไม่บอกแวกถ้าใครยังฟุ้งซ่านบอกแวกอีก้ามาถามกันได้เนื แล้วก็เด็กคนไหนอยากรู้ก็มาขอได้ว่าไปคนที่ไหนนีแต่ว่าอาจจะเปนคนในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่ได้อินเทอร์เน็ตนี่ต้องมีความสามารถในการค้นเนีเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี้อาจจะได้ข้อมูลหลักก็มีข้อมูลหลอกก็มีนีดีไม่ดีแทนจะได้ข้อมูลหลักก็ไปได้ข้อมูลหลอกนีก็เสียอีกนะข้อมูลขยะเดี๋ยวนี้เยอะฝรั่งเขาก็เตือนไปแล้วอินโฟเมชันเดี๋ยวนี้ที่มาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันจะเป็นขยะมากมายนั้นคนที่อยู่ไม่เป็นในโลกปัจจุบันนี้แม้จะมีอารยธรรมเจริญด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ไม่ได้เลื่องไม่ได้สติปัญญาไปเก็บเอาแต่เศษขยะในอินเทอร์เน็ตมาก็เลยไม่ได้อินโฟเมชันที่เป็นประโยชน์ก็เลยกลับขอภัยเพิ่มโมหะหลงไหลหนักเข้าไปอีกเนก็เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องเป็นผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นผู้เบิกบานก็คือเริ่มติดความรู้ ต้องมีปัญญาในการปฏิบัติจัดการกับสิ่งทั้งหลายเรื่องวันวาเลนไทน์ก็เป็นอย่างที่ว่ามานินแหละแต่ทีนี้ว่าการที่มีคนมานิยมกันมากเวลานี้ในเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเรื่องนี้ก็ไม่ยากก็ได้มีหลายท่านวิจารณ์กันไปแล้วแม้แต่มองกันง่ายๆก็เห็นชัดว่ามันเป็นเพราะเรื่องของกระแสโลกาภิวัต ลโลกาภิวัตที่สาคัญในเรื่องนี้ก็มีสองด้านคือกระแสโลกาภิวัตด้านบริโภคนิยมอย่างที่มองเห็นกันอยู่ทั่วไปและสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยมีการเสพบริโภควุ่นวายอยู่กันเรื่องนี้มากการนิยมวาเลนไทน์นี่ก็เข้าแนวนี้แล้วก็สองก็กระแสโลกาภิวัต ด, ด้านธุรกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจนี่ก็มาเอาด้านบริโภคนิยมเนีย ใช้เป็นเครื่องมือก็ได้นีก็โดยไปกระตุ้นความนิยมเสรบริโภคของผู้คนให้มาสนองความต้องการในทางธุรกิจวันวาเลนไทน์ น, ทนี่ก็เข้ากระแสนิดด้วยและยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองในด้านความรักแบบหนุ่มสาวอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สนองความต้องการตามธรรมชาติของคนโดยทั่วไปแต่ในแง่ของวัฒนธรรมก็คือว่า เรายอมรับความจริงอย่างนี้แต่ว่าเราจะทํำยังไงให้มันประณีตดีขึ้นแล้วก็ให้เป็นไปนในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ชีวิตดีงามขึ้นสังคมดีงามขึ้นอันนี้ก็คือข้อที่พิจารณาแล้วก็เลยเราก็สามารถเอาโมโยงกับเรื่องวันมาคบูชาอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ได้ให้ข้อสังเกตว่าการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องอะไรอย่างเรื่องวาเลนไทน์ได้ถูกเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในสังคมไทยเวลาเนี้ พูดได้ว่าเกลื่อนไปด้วยการแสดงความเห็นแต่ไม่ค่อยมีการหาความรู้เพราะฉะนั้นมันก็สับสนวุ่นวายเรื่องนี้จะต้องย้ํากันแล้วก็ย้ามาเรื่อยก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นต้องมาคู่กับ ก, บการหาความรู้สังคมไทยเราขาดมานานแล้วด้วยเรื่องการขนขวายฝ่ายรู้หาความรู้กันซึ่งเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางปัญญาหรือจะเรียกว่าวัฒนธรรมการสแสวงปัญญาก็ได้จะต้อง พัฒนาคนของเราให้หนักแน่นในเรื่องนี้เอาจริงเอาจังให้มากผู้ใหญ่ก็เน้นแสดงความเห็นด้วยหาความรู้หรือตั้งอยู่บนฐานของความรู้พร้อมกันนั้นเด็กถ้ายังไม่พร้อมจะแสดงความเห็นกำลังอยู่ระหว่างหัดแสดงความเห็นยังเล่นมากอยู่เราก็พูดกันว่าให้การเล่นนั้นเป็นการเล่นอย่างได้ความรู้หรือเล่นมาด้วยการกับรู้ เล่นอย่างมีความรู้เล่นอย่างได้ความรู้แล้วก็ได้ความรู้พร้อมกักบการเล่นได้ทั้งเล่นได้ทั้งรู้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น <c oughs> การเล่นของเด็กเวลานี้ก็ไปเป็นเรื่องของการสนุกสนานบันเทิงแม้แต่ทางทีวีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่นอย่างหนึ่งเราเล่นไปทางเล่นกันมากการหาความรู้ก็น้อย นะถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างได้ความรู้หรือคู่กันไปกับการหาความรู้ถ้าที่พูดมานี้ก็อยากจะเน้นจุดสำคัญสำคัญไว้บ้างอย่างที่กล่าวแล้วว่าเรื่องวันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้เป็นวันสำคัญของประเทศอเมริกาทางในแง่ของบ้านเมืองแล้วก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญทางาศาสนาเจ้าของเรื่องคือาศาสนาคริสติกายโรแันคอเท ล, ลิกก็อย่างที่บอกแล้วว่าเขาได้ ถอดหรือปลดวันวาเลนไทยนยออกไปจากปฏิทินของนิกายรามันกทถลิกแล้วตั้งแต่พศ2อ1 2ันร้อยสิบสอ ง, สงแต่ว่าถูกปลดถูกถอดจากเมืองฝรั่งวันวาเลนไทยก็มาขึ้นแท่นโด่งดังในประเทศไทยเนี่ ย, ยก็เลยได้พูดได้เห็นว่าวันสำคัญของอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างพูดประกอบนิดหน่อยว่าวันสาคัญของอเมริกานี้ก็เป็นวัน ระดับชาติที่ไดบยกมาพูดถึง10วันเนี่ยแล้วก็ยังมีวันสําคัญของรัฐอีกการรู้จักวันสําคัญของฝรั่งนี่ก็ในแง่หนึ่งอย่างน้อยก็ถ้าเรารู้จักมองก็จะเห็นภูมิหลังของประเทศของสังคมของเขาในระดับหนึ่งแล้วก็พร้อมกันนั้นก็จะทําให้รู้เข้าใจลักษณะนิสัยสภาพความคิดจิตใจของประชาชนสังคมในสังคมอเมริกันไปด้วยอันนี้ ในเมื่อเมืองฝรั่งนี้เขาไม่ได้ถือวันวาเลนไทน์เป็นวันสําคัญทางรัฐต่างๆที่มีวันสําคัญทั้งของชาติแล้วก็มีวันสําคัญของรัฐของตัวเองเนี่ยเขาก็ได้พูดกันถึงการที่ได้พยายามให้ความสําคัญแก่วันพ่อวันแม่เป็นต้นคือวันวาเลนไทน์เนี่ยถูกถอดออกไปแต่กลายไปว่าวันพ่อวันแม่เนี่ยเขาต้องการให้ความสําคัญ ในแง่นี้เรามองว่าในแง่วัฒนธรรมนี่ก็เห็นว่าฝรั่งเขาก็พยายามที่จะทำอะไรให้ประณีตขึ้นพัฒนาให้เป็นสิ่งสร้างสรรค์กับชีวิตและสังคมแล้วก็นอกจากให้ความสำคัญกับวันพ่อวันแม่แม้แต่วันวาเลนไทน์ที่เป็น p o อปปูล f e เฟสติวัลเป็นเทศกาลของชาวบ้านเนี้ยเนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาที่ไม่ให้หยุดอยู่แค่ความรักระหว่างหนุ่มสาว คือก็มีการขยายขอบเขตออกไปเช่นอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าวันนั้นเด็กก็จะให้ของขวัญกับพ่อแม่บ้างให้กับคุณครูบ้างแต่ว่าโดยโทั่วไปแล้วเท่าที่อาตมาก็เคยไปอเมริกามาบ้างไปพักอยู่บ้างเป็นบางระยะนึกไม่ออกไม่ได้สังเกตเห็นวันวาเลนไทน์แล้วก็พวกนักเรียนนักศึกษาก็นึกไม่ออกว่าเขาพูดถึงเด็ซ้า ก็คงจะมีเป็นเพียงว่าผ่านๆหูแต่กลับมาได้ยินโด่งดังในที่เมืองไทยก็เลยถามท่านผู้ที่อยู่เมืองอเมริกามานานๆเป็นสิบสิบปีบอกว่าเออที่โน่นเขาจัดงานวันวาเลนทายกันยังไงเนี่ยเขาแสดงออกยังไงกันบ้างนี่ก็เพิ่งถามไปใหม่ๆเนี่ยท่านก็ตอบว่าที่เมืองฝรั่งที่อเมริกานี่ก็ ถึงวันวาเลนไทน์เขาก็เป็นเพียงว่าพบกันก็ทักว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ก็ให้ความรู้สึกที่ดีมีความเป็นมิตรหน่อยหนึ่งก็เท่านั้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาภรรยาก็อาจจะหวังว่าถึงวันวาเลนไทน์สามีก็อาจจะเอาช่อ ด, ดอกไม้มามอบให้หรือว่าจะให้อะไรเป็นของขวัญบ้างหรือจะพาไปรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่มีอะไรมากมายต่างกันมากหรือเกินกับที่เมืองไทยหรือแม้แต่ย้อนไปในอดีตยอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยในสังคมอย่างอังกฤษก็เป็นวันที่เขาเสี่ยงถ่ายเรื่องเลือกคู่อะไรอย่างต่างเหล่านี้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมส่วนในวิถีชีวิตของคนถ้าทำในค ข, ขอบเขตนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาให้เกิดความชื่นบานสนุกสนานราเริงกันได้ ส่วนหนึ่งแต่มาเมืองไทยเราที่ดูจะเกินไปไหมได้ยินจากหนังสือพิมพ์ถ้าเป็นความจริงนี่ก็ถึงกับมีว่าผู้หญิงบางคนวจะอุทิศตัวให้แก่ผู้ชายเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ถ้าถึงขนาดนี้ก็เรียกว่าเมืองไทยนี่ต้องพูดว่าเลยเถิดไปไกลมากแล้วควรจะมีสติยับยั้งกันแล้วก็ทีนี้ เรื่องวันวาเลนไทน์ก็เป็นเรื่องที่เรารับเอามาจากเมืองฝรั่งเราก็ต้องดูว่าฝรั่งเขาทากันแค่ไหนเขาก็มีอารยธรรมวัฒนธรรมในระดับหนึ่งเมื่อเรารับมาแล้วก็อย่าให้เสื่อมสุดลงกว่าที่ฝรั่งเขาทําถ้าสามารถก็พัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็จะเป็นทางของการเจริญงอกงามได้อย่างที่ว่าเมืองฝรั่งเขา มีวันพ่อวันแม่เขาให้ความสำคัญเมืองไทยเราก็มีแต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของความรักนี่เรื่องวความรักของวาเลนไทน์นี่เน้นในเรื่องหนุ่มสาวแล้วก็ออกมาสู่เรื่องของสามีพันยาเราก็อาจจะขยายขอบเขตความรักออกมาเป็นความรักระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ มีความหมายไปนในทางที่เป็นคุณธรรมมากขึ้นและก็สมกับเป็นวัฒนธรรมและนอกจากนี้ในแง่ของการรับอะไรต่างๆจากต่างประเทศอะไรก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยควรจะมีจิตสํานึกในการที่จะสร้างสรรค์สังคมของตัวเองว่าฝรั่งญี่ปุ่นทําอะไรขึ้นมาไทยเราต้องศึกษาให้รู้ทันเอามาเพิ่มทุนของตัวเองเพื่อเป็นฐาน ให้เราสามารถสร้างความเจริญงอกงามได้ดีจึงขึ้นไปอันนี้จึงจะนับว่าเรามีปัญญาและมีความฉลาดไม่ใช่ว่าตื่นหลงไหลไปตามสิ่งที่เขาทําเขาทําแล้วก็หลงไหลเพลินไปก็อย่างที่กล่าวแล้วว่ามันก็หมดความเป็นไทยคือไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหมดอิสรภาพก็ตามเขาก็ได้เกิดเป็นทาตเขาก็ย่ยุกระตุ้นยังไงก็ไปอย่างนั้นเพราะนั้นก็ควรจะใช้หลักการนี้ที่ว่าเราต้องรู้ทันต้องศึกษา ต้องใช้ปัญญาแล้วก็เราก็จะได้ทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องที่ย้ำสําคัญซึ่งมาเกี่ยวกับมาคาบุญชาก็ในแง่ที่ว่าวันวาเลนไทน์นี่ก็ชัดแล้วโดยหลักฐานความเป็นมาข้อเท็จจริงว่าเป็นวันแห่งความรักแบบโรแมนติกหรือโรแมนติกลัฟส์ส่วนวันมาคาบูชาก็เช่นเดียวกันก็หลักฐานความเป็นมาก็ชัดเจนว่าเป็นวันแห่งความเมตตาซึ่ง แปลว่าความรักสากลหรือ universal no love ก็จึงได้มาถึงข้อสรุปที่ว่าในว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟและก็วันมาคบบูชาเป็นวันแห่ง universal no love นี่ถ้าจะต้องการใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้อันนี้เราก็สามารถเชื่อมสองอย่างนี้เข้ากันถ้าเรายังต้องการจะฉลองหรือว่าจะบันเทิงสนุกสนานกันในวันวาเลนไทน์เราก็อย่าเอาแค่ความรักที่สนองความเห็นแก่ตัว ก็ต้องมองคำนึงถึงผู้อื่นให้ขยายความรักนี้ไปเราต้องรักสังคมของเราด้วยถ้าเรารักสังคมของเรารักเพื่อนร่วมชาติรักประเทศชาติเราก็ต้องคิดถึงผลดีผลเสียแก่ประเทศชาติของเราแล้วก็คิดว่าทาไงจะให้ประเทศชาติสังคมของเราเนี่ยจเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นถ้าอย่างนี้ความรักนั้นก็จะมีความหมายไม่ใช่เป็นของที่ ต่ำสามลงไปแต่กลายเป็นความรักที่ประณีตงดงามยิ่งขึ้นนะแม้ว่าเราจะมีความรักแบบหนุ่มสาวเราก็คำนึงถึงความดีงามของสังคมไม่ให้เสี่มเสียกับสังคมไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรารักสังคมของเราด้วยเราก็พยายามทำให้สังคมของเราเนี้ยดีงามยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขยายความดีงามนี้ไปถ้าเราทาดี พัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาทําอะไรต่างๆด้วยการที่มีเจตจานงเป้าหมายที่ดีงามแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลใ้ทางสร้างสารรค์แก่สังคมและโลกทุกอย่างก็จะดีขึ้นสมกับการที่เราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมวันนี้อาตมาภาพก็ได้พูดมาในเรื่องของวันมาคาบูชาก็ขอให้จับจุดจับประเด็นอันหนึ่งก็คือการที่ว่า วันวาเลนไทน์นั้นก็เป็นวันแห่งโรแมนติกลัฟแล้วก็วันมาคาบูชาก็เป็นวันแห่งยูนิวเซนลัฟฟ์คือเป็นความรักที่สากลแท้จริงเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินความเป็นสากลก็โยมไปพิจารณาเองถ้าทำอย่างนี้แล้วแต่ตามหลักธรรมแล้วก็เมตตานั้นแน่นอนเป็นคุณธรรมที่ดีงามดวดโรแมนตะิกลัฟนไม่พอที่จะสร้างสารรค์โลกนี้ให้มีสันติสุข แต่ถ้าเป็นยูนิวเวอร์แซลล์เป็นเมตตาแล้วมนุษย์มีความรักความปรารถนาดีต่อกันหวังทำประโยชน์สุขให้แก่กันอย่างพระอรหันต์ท่านไปพูดนนำเป็นตัวอย่างไว้เนี่ยโลกก็จะมีสันติสุขแน่น อ, อนเพราะฉะนั้นคนไทยเราจะไปรับวาเลนไทน์หรือไม่เราไม่ต้องไปห่วงมากเพราะว่าถ้าไปอยู่กับวาเลนไทน์เองอย่างเดียวเขาไปไม่รอดหรอกไปไม่รอดยังไง ไปไม่รอดในแง่ที่หนึ่งก็คือว่าถ้าสังคมลงหลงไหลไปแบบวาเลนไทน์อย่างนี้หนักๆเขาก็คือสังคมพินาศบอดวายเองเขาเรียกว่าไปไม่รอดต่อไปไปไม่รอดอย่างที่สองก็คือว่าพอหลงไหลกันไปมากๆแล้วได้สติขึ้นมาเขาก็ต้องการสิ่งที่จะมาทําให้มันดีขึ้นมาแก้ไขปัญหาเขาก็ต้องหันมาหาธรรมะเองเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์ก็ต้องมาเป็นวาเลนธรรมอยู่ดนีนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะในที่สุดอะไรต่อะไรก็ไม่พ้นธรรมะไปได้ก็มีธรรมะสองอย่าง ก็คือธรรมะความเป็นจริงของธรรมชาติเมื่อคุณทําเหตุปัจจัยไม่ดีคุณทําเหตุในความเสื่อมคุณก็เสื่อมไปอันนี้ก็ธรรมะเหมือนกันแล้วก็ธรรมะในอีกแง่หนึ่งก็คือสิ่งที่ดีงามที่ทําแล้วมาเกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่สังคมมนุษย์ก็เป็นธรรมะในความที่สองและเราก็ให้ธรรมะสองอย่างนี้มาประสานกันโดยหวังว่าให้เกิดธรรมะในความหมายว่าสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมมนุษย์ ในการทําเหตุปัจจัยที่ดีตามธรรมะในความหมายที่หนึ่งแล้วธรรมะสองอย่างนี้ประสานกันเมื่อไหร่นั่นคือชีวิตสังคมที่ดีงามเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีวันมาฆบูชานี้ก็วันนี้ก็เลยขอโอกาสอย่างที่ว่าทําความแจมแจ้งกันได้ในเรนไทยถ้ายัางไม่แจ้งก็ให้มาพูดกันต่อไป ถ้าแจ้งพอแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะทำบุญในวันมาคบูชาต่อไปเพราะอันนี้แน่ใจว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์แต่ก็ทำเน้นในแง่ที่ว่าให้ทำด้วยปัญญาในโอกาสนี้ทุกท่านก็ได้มีกุศลจิตมีบุญกุศลที่ได้ทำแล้วอย่างที่กล่าวแต่ต้นว่าทั้งทำด้วยตนเองทั้งทาในครอบครัวและก็ทาเพื่อพระพุทธศาสนา แล้วก็ทําเพื่อสังคมทั้งหมดนี้อันนี้ก็เป็นบุ ญ, บญกุศลที่โยมทุกท่านควรจะมีปรีดาปราโมทหรือปีติปราโมทอย่างที่กล่าวมานั้นให้เกิดความปรับรื้มเบิกบานชื่นใจให้เป็นทุนแห่งความสุขต่อไปเบื้องหน้าชั่วกาลนานในโอกาสนี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสา ทียเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้อันเป็นบุญญาสามัคคีจงได้เป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวญาติมิตรเจริญด้วยจกตุรพิทพพรชัยมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอาชีพการงานสามารถบาเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลก ให้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขงอกงามในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการทุกเมือ่อเทอญสาธุ